ความมืดถ้ามันมีความสวา่างเนที่ผลทายของผู้มีอาวะเพื่อรับทราบดินฟ้าอากาศความมืดความสวา่างคนเราก็เป็นทุกข์สัตว์ก็เป็นทุกข์จึงต้องมีทั้งมืดทั้งสวา่าง ไม่สำหรับประสาทของสัตว์และการท่องเที่ยวของสัตว์ซึ่งนิยมความมืดความสว่างต่างกันใจถ้ามีแต่ความมืดปิดตังงหุ่นห่อไว้ดัด่ายเดียวหาความสว่างไม่ได้ ย, ย่อมเป็นทุกข์ ไม่มีที่ออกไม่มีที่ระบาดมีทั้งมีแต่ทุกข์ายเดียวไม่มีความสุขแทกตั้งเลยโลกนี้เขาอยู่กันไม่ได้สิ่งนี้เป็นของคู่เชียงกันเสมอจากนั้นก็แยกออกไปเป็นโลกเป็นธรรมโลกถ้ามีมีแต่โลกล้วนๆไม่มีธรรมเขาเคลือบแฝง โลกก็หาประมาณหาขอบเขตเหตุผลหาเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ได้เมื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวหาหลักหาเกณฑ์หาเหตุหาผลไม่ได้ก็เท่ากับหาความสุขไม่ได้หาที่ตรงใจไม่ได้เพราะตามปกติของใจย่อมหาที่ตรงที่วางที่ยุติเพื่อความสุขความสบายต่อยภาระไป เป็นข้างข่าวหรือเป็นวักเป็นตอนหากไม่มีที่ปล่อยวางเลยก็เท่ากับแบกทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นสำหรับโลกจึงเป็นของคู่เคียงกันมาแต่การไหนๆคำว่าพระพุทธเจ้าอัตตสรลุในโลกนี้นั้น ไม่ใช่มีเพียงองค์เดียวสององค์นับเป็นจำนวนล้านล้านเพราะโลกนี้มีมาเป็นเวลานา น, านโลกกับธรรมจึงเป็นของคู่เคียงกันด้วยมาด้วยเหตุนี้ศาสนากับโลกจึงมีคู่เคียงกันและขาดไปบ้าง ก็เป็นบางการบางสมัยเช่นท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าพุทธันดรนิสุญญากับก็หมายถึงความว่างเปล่าจากศาสนาพุทธันดรหมายถึงระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่จะมาจาักสรุนั้นนั่นก็ว่างจากศาสนา ท่านยังพูดไปถึงพัตกัแต่ละพัตกับที่จะตากฏขึ้นมานั่นก็ว่างจากศาสนาท่านเรียกว่าสุญญากับการว่างศาสนาแต่ละครั้งแต่ละสมัยนั้นเป็นการว่างจากความคิดความพึงหวัง ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ของสัตว์โลกเพราะหมดบุญหมดบาปในใจคําว่าบุญว่าบาปไม่มีเลยในความรู้สึกเพราะไม่มีใครกล่าวถึงไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาแนะนําสั่งสอนสัตว์โลกยิงชนมุนวุ่นวายกันอยู่ในห้องมืดแห่ง โมขัโมโมหักคือความมืดบอดระหว่างโล ก, กันตานรกในสมัยนั้นของมนุษย์ก็ได้ไม่ผิดศาสนาจริงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นสิ่งที่พยูนจิตใจชะโลมจิตใจของจัดโลกเช่นเดียวกับคนไข้ที่มียามีมหมอรักษา ถ้ามีแต่คนไข้เต็มบ้า น, นเต็มเมืองหาหมอไม่ได้เราวาดภาพขึ้นมาดูก็ได้จะเป็นที่สลดสังเวชหน้าอินาระอาใจหน้าเบื่อหน้านายเป็นไหนๆโลกนี้จะไม่มีใครพึงปราธนาจะมาอยู่กันเลยรือเมื่อยู่แล้วก็ไม่มีใครที่จะติดใจใครอยากอยู่ต่อไปนอกจาก มีแต่ความขยะกขยงมีแต่ความทุกข์ความพรมานแล้วทมในจิตใจอยู่เป็นประจำเท่านั้นเหนโรคไม่มียาโรคไม่มีความรู้สึกว่ายามีหรือหมอมีจึงเป็นโรคที่ร้ายแรงมาก <c oughs> ฉันโรคที่ไม่มีธรรม ไม่มีคำว่าบุญว่าบาปพอที่จะให้ขยะขยงเพื่อการละการถอนเพื่อและเพื่อมีความกระยิ่งมุ่งหวังต่อบุญคือความดีนั่นก็เป็นโลกที่เป็นโมฆะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่รุ่มร้อนอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนั้นไม่มีการไม่มีสมัย มีการมีสมัยเฉพาะสินเยียาสินรักษาหรือศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาอุบัติจัดสรุปแล้วสั่งสอนโลกเท่านั้นส่วนกิเลสที่ซึ่งเป็นทําความรุ่มร้อนให้เกิดสายโลกนั้นไม่ไม่เคยมีคําว่าการว่าสมัยยิ่งเป็นสมัยที่มันมีศาสนาด้วยแล้วยิ่งเป็นสมัยที่กิเลส ประเภทต่างๆแสดงอิทธิพลเต็มหัวใจของจักรโลกแล้วฤทธิดเดชทุกสิ่งทุกอย่างจะแสดงเต็มที่เต็มฐานเต็มกาลังของมันเพราะไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานถ้าเป็นโรคก็ไม่มียาเลยจึงต้องแสดงเต็มที่เต็มฐานแก่คนไข้ในคิตใจที่ <c oughs> ไม่มีธรรมไม่มีาศาสนา นีแต่ีิเลสอย่างเดียวเป็นเจ้าอำนาจบีบบังคับในหัวใจนี้นั้นจึงหาความสุขแม้นิดหนึ่งไม่ได้เลยเรียบว่าโลกรักก็ไม่พิในสมัยที่เป็นสุญยากับหรือว่างจากศาสนาสั์โลกก็จมอยู่ในกองทุกหาทางออกหาทางหลีกเว้นหาทางเยียวยาไม่ได้ เพราะไม่มีสิ่งเยาหยาเนื่องจากศาสนาที่เป็นสิ่งเยาหยาเป็นสิ่งต้านทานเป็นสิ่งกำจัดค่าศึกทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีมีกล่าวถึงทั่วทั่วไปตามหลักคติธรรมคติโล ก, กเป็นของคู่เคียงกันมาเช่นนั้น ทีนี้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองซึ่งเกิดในแดนแห่งพระพุทธศาสนาอันอุดมสมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอย่างที่แนแนวทางให้รู้ทั้งความเสื่อมความเจริญให้รู้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษนรกสวรรค์จนกระทั่งถึงบิมุดหลุดพ้นได้แก่พระนิพพาน มีสมบูรณ์อยู่แล้วในหลักธรรมของพระพธธุทธเจารและเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำทุกสัตว์ทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างที่ประทานไว้แล้วนี้คำว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวา เป็นธรรมชาติที่ตายตัวคือมีมาแล้วแต่การไหนไหนเป็นเด็ยกยังผู้สามารถจะค้นพบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราวในเวลาที่ปพุทธะจาาแต่สรู้เท่านั้นเพเมื่อเราทั้งหลายได้ทราบจากาศาสนธรรมที่ประกาศ สอนไว้แล้วโดยถูกต้องนั่นย้ำเช่นนี้ยึงเรียกว่าเราทั้งหลายมีวาสนาะเหมาะกับการกับสมัยแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ที่มีธรรมเป็นเครื่องประดับหรือมีศาสนธรรมเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องเทิดทูนเป็นทำทำความอบอุ่นมั่นคงให้แก่จิตใจของเรา หรือว่าบอแห่งการสร้างความหวังคือาศาสนธรรมก็ไม่ถิกเราสร้างความหวังเราต้องสร้างตามหลักของธรรมหรือสร้างให้เป็นไปตามธรรมอันเป็นความถูกต้องแน่นยาอยู่แล้วความหวังนั้นจึงจะสมหวังดังใจหมายเพราะความหวังของคนทั่วไปไม่เคยมีใครจะหวังความทุกข์ความลำบาก ความตนความทุกข์ทรมานต่างๆความโง่เขลาเบาปัญญาความชี้ลีิวขีเลในรูปพันธ์สันฐานตลอดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องบริษัทบริวัรสมบัติเงินทองต้องการแต่ของดีเป็นที่พึงหวังร่วมกันทั้งนั้นนะเมื่อเราต้องการเช่นนั้น แนวทางที่จะก้าวเข้าสู่สิ่งที่พึงหวังดังใจหมายให้สมบูรณ์นั้นก็คือศาสนาธรรมท่านชี้บอกไว้โดยสมบูรณ์แล้วเช่นอยากเป็นคนดีเรต้องประพฤติปฏิบัติกาจัดสิ่งที่ชั่วซึ่งจะแสดงออกอยู่ทุกระยะหรือทุกเวลาภายในร่างกายจิตใจหรือกายวาจาของเราใจของเรานี อสอนวิธีระงบับวิธีดับวิธีกำจัดวิธีหักห้ามไว้หมดมเมื่อเราพยายามทำตามท่านไม่ฝ่าฝืนทางเดินที่ถูกต้องแน่นยําเพื่อความสมหวังอันสมบูรณ์เราก็จำต้องดำเนินตามนั้นทุกยากลาบากเพียงไรเราจำต้องดำเนิน ตามสายทางที่ถูกต้องนั้นแล้วก็ถึงจุดที่มุ่งหมายโดยลำดับลำดาสิ่งที่มุ่งหมายใดๆก็ไม่พ้นจากการทําความดีตามหลักศาสนธรรมเราจะทําแบบสุ่มเดาหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ทํเอาตามความอยากความต้องการของตนนั้นส่วนมากมักเป็นสิ่งสังหารทําลายความหวังของตน ที่หวังความสุขความเจริญหวังความดีทั้งหลายให้กลายเป็นความเลวร้ายหรือความทุกข์ไปเสียหมดด้วยเหตุนี้ศาสนาธรรมจึง เ, เป็นสิน่งจำเป็นลำรับ บ, งบังคับจิตใจของเราให้ก้าวเดินหรือประพฤติปฏิบัติไปตามสายเหตุคือการกระทําของเราอย่าให้ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปผลจะพึงสมหวังโดยลำดับลำดามีเท่านี้ทาง ของมนุษย์ผู้มีธรรมจะพึงก้าวเดินให้สมความมุ่งหมายดังใจหวังไม่มีทางอื่นนี่เราทั้งหลายก็ได้ครอง น, อ น, อน้อมทมเข้ามาปกปักรักษาหรือประพฤติปฏิบัติยึดเหนี่ยวเป็นจิตเป็นใจตากเป็นตาตายอยู่แล้วภายในใจของเราเวลานี้ถึงชื่อว่ า, านี้มีวาสนา มีอุปนิสัยจึงได้เกิดมาเหมาะกับการสมัยที่มีพระพุทธศาสนาแม้พระพุทธเจ้าท่านจะปริพาน์ไปแล้วเราไม่ได้เห็นองค์ของท่านก็ตามธรรมคือความจริงทั้งหลายนี้เป็นองค์แทนพระองค์โดยสมบูรณ์อยู่แล้วดังที่ท่านจัดกับพระอนนานุลลา ดูก่อนอันนนท์ทและวินัยที่ตถาคตได้แสดงไว้แล้วนี่แหละจะเป็นศาสด า, าแทนตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วนะองค์ศาสด า, าก็คือที่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญยังไม่มีคำว่าอาดีตอนาคตเป็นสักขาธรรมที่ตรัดไว้ชอบแทนพระองค์อยู่แล้วโดยสมบูรณยิ่งได้ประพฤตปฏิบัตตน เาโดยลำดับลำดาเฉพาะอย่างยิ่งจิตตะภาวนาให้เห็นประจักษ์ใจตั้งแต่สมถะสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขึ้นไปเป็นลนาดับก็ยิ่งจะได้เห็นตถาคตองแท้จริงภายในจิตใจของเราเป็นสักขีพยานโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นสักขีพยานลึกความจริงเต็มส่วน ขึ้นภายในใจิตใจโดยไม่ต้องสงสัยเ <c oughs> นี่ยที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นองคตฐานกฎตั้งแต่เริ่มแรกแข่งธรรมขึ้นไปแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมถึงวิมุตติธรรมเริ่มเห็นองคตถาคตไปเรื่อยเรื่อยเมื่อถึงขั้นวิสุทธิธรรมคือวิมุตติธรรมแล้ว เรีว่าเห็นศ า, ศาสนาเต็มองค์เต็มร้อยเปอร์เ็ต็มเม็ดเต็มหนึ่งเพราะธรรมชาตินี้เป็นอย่างเดียวกันไม่มีที่สงสัยพระพุทธเจ้าองค์ใดพระองค์ใดก็ตามเมื่อได้ก้าเข้าสู่ธรรมะที่บริสุทธินี่แล้วย่อมหายสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ว่ามีหรือไม่มีโดสิ้นเชิงไม่มีเหลือคำว่าสงสัยไม่มีปรากฏเลยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เห็นอยู่นี้เป็นเครื่องยืนยันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างกระจัดใจแล้วเมื่อเราก็ไม่สงสัยในความรู้ความเป็นของเราแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้า หลายได้อย่างไรเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันนี่คือเห็นาศาสดาหรือเห็นตถาคตด้วยความเห็นธรรมคือพระเห็นธรรมที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์กลมกืนเป็นอันเดียวกันาศาสนาทุกองค์พระสาวกทุกองค์ไม่ว่าเป็นพระสาวกองค์ใดของพระพุทธเจา้าพระองค์ใดก็ตาม เป็นธรรมาชาติที่เหมือนกันไม่หมดไม่ไม่มีความสงสัยนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าพุทธทางสนางะชามิที่เราทั้งหลายกล่าวข้างระลึกถึงพระองค์คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีทำมังสนางะชามิที่เราได้ระลึกถึงพระธรรมก็ดีสังฆั ง, งสนางะชามิที่เราได้ระลึกถึงพระสงฆ์ทั้งหลายก็ดี รวมอยู่ในธรรมชาติที่จิตบริสุทธิ์ธรรมบริสุทธิ์ที่ปรากฏอยู่กับใจของผู้บริสุทธิ์นั้นอย่างประจักษ์หาที่สงสัยไม่ได้แล้วนี่แหละคำว่าพระพุิธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่แต่ไม่ได้มีอยู่แบบโลกทั้งหลายมีอยู่สมมุติทั้งหลายมีอยู่กัน ทางความมีอยู่เหมือนโลกทั่วๆไปท้งความสูญไปดังที่โลกทั้งหลายเข้าใจกันหรือในเรื่องคำว่าสิ่งท้งสองเมื่อนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำว่าพุทธธรรมสงฆ์ที่มีอยู่นี่หละมีอยู่แบบธรรมชาติของธรรมที่บริกบูนล้วน หรือจิตบริสุทธิ์ล้ว น, วนไม่ได้มีอยู่แบบโลกเนี่ยที่ชาวพุทธทั้งหลายกล่าวอ้างถึงท่านจึงไม่ได้เป็นโมฆะถึงกล่าวอ้างถูกต้องตามจุดตามหมายตามความจริงแห่งพุทธธรรมสงฆ์ที่แยกออกมาเป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์นี้แยกออกเป็นสมมุติอันหนึง่งเป็นกิริยาอัน แต่และอย่างละอย่างต่อเมื่อจิตได้เข้าถึงธรรมมับริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วจะทราบได้ทันทีในกิริยาและธรรมชาติที่แท้เป็นอย่างไรไม่สงสัยเมื่อจิตได้ก้าวเข้าถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วก็เท่ากับได้ก้าวเข้าถึงธรรมที่บริสุทธิ์เต็มภูมิ เพราะทำโดยสุดกับใจที่บริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันคําว่าพุทธธรรมสงที่แยกเป็นอาการนั้นจึงรวมอยู่ในคําว่าธรรมโมปีโปอันเดียวกันเท่านั้นธรรมชาตินี้ไม่มีคําว่าการสมัยสถานที่ไม่มีอะไรเข้ามาทําลายเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาลบล้าง แต่เป็นธรรมชาติแห่งธรรมที่บริสุทธิ์อยู่โดยลำพังตนเองถ้าว่าโดยลำพังก็เป็นลโดยลำพังอย่างนั้นเพราะไม่ใช่สมมุติทั้งมวลที่มีอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้นั่นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งต่างหาก และมีจิตเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมผั์รับทราบธรรมชาติอันนั้นตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่วิสัยแห่งการรับทราบธรรมเหล่านั้นมีใจเท่านั้นจะสามารถรับทราบและจะเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมมาบดยสุ์นั้น พระเจนั้นท่านจึงสอนให้ปรับปรุงจิตใจให้ดีปรับปรุงจิตใจของเราได้ในขั้นใดภูมิใดจะได้สัมผัสสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นภูมินั้นที่มีอยู่เช่นเดียวกับธรรมะเบยสุคําว่าสมถะ ธ, ธ, ธรรมหรือสมาธิธรรมเราไม่ได้รู้ตามหลักความจริงทางภาคปฏิบัติ ก็จะมีแต่การคาดการหมายกันเท่านั้นการคาดการหมายก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขาแม้จะเรียนทมก็ความจำก็เหมือนโลกนั่นเองไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมว่าสมาธิขึ้นที่ใจของตัวเองแล้วจะไม่ทราบว่าสมาธินั้นเป็นอย่างไรความสงบนี้สงบอย่างไง เป็นแต่เพียงคาด ท, ทั้งทั้งที่คาดด้วยทั้งที่ด้วยทั้งที่จิตไม่เคยสงบแล้วจะไปถูกความสงบได้ยังไงคือจิตคาดสมาธิด้วยทั้งจิตที่ไม่เป็นสมาธิจิตคาดปัญญาด้วยทั้งทิตจิตไม่ได้เป็นปัญญาจิตคาดดิมุตความหลุดพ้นด้วยทั้งที่จิตไม่ได้หลุดพ้นหลุดพ้นแต่เต็มไปด้วยกิเลส จะไปถูกความจริงแห่งธรรมนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติมีทางเดียวนี้เท่านั้นที่จะทราบความจริงแห่งธรรมเหล่านั้นเป็นขั้นๆตอนๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นพอตัวเพราะการบำเพ็ญธรรมมีความพอตัวถึงจุดอิ่มตัวได้ไม่เหมือนโลกไม่เหมือนกิเลส นิเรศนี้ไม่มีคำว่าอิ่มตัวนอกจากมีความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตจึงมีความกระวนกระวายอยากรู้อยากเห็นอยากได้นั้นอยากสัมผัสนี้เป็นอยู่อย่างนั้นหาความอิ่มพอพอสงบตัวบ้างไม่ได้เลยนี่นิเลสทำจิตใจของสัตว์โลกให้ละสัมรษากระวนกระวายไปได้วยความอยากความหิวโหย หรือจะว่าความทะเยอทะยานอะไรอะไรก็แล้วแต่เอะสําคัญที่ความหิวความต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเต็มในหัวใจคําว่าเต็มนี่มันเต็มไปด้วยความหิวโอยไม่ใช่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ภูมิผลที่พึงปรารถนาแต่อย่างใดไม่เหมือนธรรมธรรมนี่คําว่าเต็มสมาธิก็เต็มจริงจริงสงบเต็มหัวใจน่ะรู้ได้ชดัด ความสงบในสมาธิย่อมอิ่มตัวในสมาธิไม่เหมือนพิเลศว่าจะมีความอิ่มตัวในตัวเองไม่เคยมีเนี่ยขัดแย้งกันตรงนี้ระหว่างพิเรศกับธรรมึงเดินสวนทางกันพิเรศหิวเต็มที่ใจอิ่มพอเต็มตัวความหิวกับความอิม่มวัดผลของมันแล้วเป็นอย่างไร ความหิวก็คือความทุกข์ความลําบากความทรมานหิวมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากเช่นอย่างเราหิวข้าวอย่าว่าแต่หิวพายใจิตใจด้วยอานาจของกิเลสเลยเพียงหิวข้าวเท่านั้นก็เป็นทุกข์หิวหลับหิวนอนเป็นทุกข์ทั้งนั้นยิ่งหิวด้วยอำนาจของกิเลสด้วยแล้วก็เป็นมหันต์ทุกข์ผู้หนึ่งไม่หิวผู้อิ่มทำจะเป็นทุกข์ได้อย่างไรทํามีความอิ่มพอได้เป็นขั้น แต่ขั้นสมาธิไปสมาธิที่พอตัวก็อิ่มตัวเหมือนกันไม่ใช่จะหิวโหยในสมาธิเรื่อยๆไปมีความอิ่มตัวมีความผาสุกเย็นใจอิ่มต่ออารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของทิเลส อ, อยู่ด้วยความสงบสบายเช่นเดียวกับเรารับทานอิ่มแล้วนอนสบายเช่นนั้นปัญญาก็มีความอิ่มตัวได้เช่นเดียวกัน เมื่อถึงขั้นอิ่มแล้วอิ่มด้วยกานทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วไม่มีธรรมะเตลิดเปิดเปิมมีความมีประมาณพอตัวพอตัวตามขั้นตามภูมิของธรรมจนกระทั่งถึงเต็มภูมิของจิตเต็มภูมิของเต็มภูมิของธรรมแล้วเรียกว่าเมืองพอธรรมะนิพานนพานนิพพานถ้าเอาพูดตามหลักธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องความหิหวโหยแล้วก็คือความพอตัวอิ่มตัวเต็มที่ นั่นแหละแล้วคำว่าอิ่มตัวเต็มที่แล้วยังคงเส้นคงวาอีกด้วยตลอดอนันตาการไม่มีสมมติใดๆที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายหรือสัมผัสสัมพันธ์ในธรรมชาติอันนั้นอีกเลยตลอดอนันตาการเธอไม่มรีระหว่างนั้นระหว่างนี้มีท่านคิดว่าถ น, นัดนิพผานเที่ยงก็หมายถึงกิจที่อิ่มตัวเต็มที่แล้ว หรือพ้นแล้วจากความหิวทั้งหลายโดยประการทั้งปวงและตลอดไปทันจริงเรียกว่าเที่ยงถ้ายังจะมีแปรผันกันอยู่มันก็เป็นสมมุติธรรมดานี่แหละมีอายุยืนนานขนาดไหนกี่ล้านปีก็ตามถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็ยังตกอยู่ในใจลักคืออันนี้จังหาคําแน่นอนไม่ได้ ด้วยเหตุนี้คำว่าจิตที่บริสุทธิ์กับคำว่านิพพานนั้นจึงไม่ได้อยู่ในกฎของไตรลักษณ์ที่จะเอื้อมเข้าถึงอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่เป็นรังแห่งสมมุติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาดส่วนกลางส่วนละเอียดขนาดไหนก็เป็นเรื่องของสมมุตินี่ทั้งหมดส่วนิตที่บริสุทธิ์ด้วนๆหรือนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ในกฎอันนี้นอกเหนือจากกฎนี้ไปแล้ว เพราะฉะนั้นการพิจารณาเพื่ออนิพาณจริงต้องก้าวเดินไปตามอ น, นิจังทางสายอั น, นิจังทุกขงังนาตาอันเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นไปแล้วทมทั้งสามประเภทนี้ก็ปล่อยวางไว้ตามความจริงหมดสิ่งเกี่ยวข้องกันธรรมที่กล่าวมานี้มีผู้ใดสามารถที่จะนำมาสั่งสอนโลกได้ ก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ฉลาดสามารถเหนือมนุษย์มนาเทวดาและสัตว์โลกทั้งหลายเกินกว่าที่จะนำมาเทียบเคียงได้และไม่ทรงศึกษาอบรมกับผู้หนึ่งผู้ใดด้วยทรงเป็นสยามผูรู้ด้วยความสามารถของพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นมาสั่งสอนสารโลกให้รู้บุญรู้บาป รู้นรกรู้สวรรค์รู้จงกระทั่งถึงความหลุดพ้นคือพระนิพพานสิ่งที่กลามาทั้งหมดนี้เป็นความจริงมาตั้งเดิมอยู่แล้วแต่ไม่มีใครได้รู้ได้เห็นจึงหาทางหลีกทางเว้นทางเพื่อบำเพ็ญไม่ได้เมื่อหาทางไม่ได้มันก็ต้องติดอยู่ทางปลายต่าเสมอปลายต่าก็คือเรื่องของยิเรศ ผลก็คือเรื่องความทุกข์ทรมานศาตร์โลกแล้วโดนเอาโดนเอ า, นเอาในสิ่งที่ไม่เห็นนั่นแหะโดนได้ง่ายถ้าสิ่งที่เห็นใครจะไปกล้าโดนเพราะคำว่าโดนโดนมากโดนน้อยโดนหนักเบาขนาดไหนก็ต้องเจ็บไปตามส่วน่างการโดนการเตะการชนการเหยียบย่ำเช่นขวักเช้ม น, น้ำสิยงเห่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่กับสาต์โลกทั่ ว, วไป สารโลกไม่นอกเหนือไปจากสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนี้ได้เลยแม้รายเดียวนอกจากผู้ที่ได้หลุดพ้นไปแล้วจากแดนแห่งสมมุตินี้เท่านั้นคือพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนี่ ล, วล้วนเน้อแต่เป็นผู้พ้นไปแล้วไม่มาเจอไม่มาโดนในบรรดาสมมุติทั้งหมวลไม่ว่าจะเป็นส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดความสุขของโลกก็ไม่ว่าสุขเย่างยามอย่างกลางอย่างละเอียดขนาดไหนโตท่านต่อยไปหมดแล้ว ความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสอำนาจของวัตตะวนที่เป็นมาตั้งแต่ทุกเล็กน้อยจนกระทั่งถึงมหาหันตะทุกเพราะฤทธิ์อำนาจของกิเลสผิดขึ้นมาบีบบังคับศัตว์โลกท่านก็ได้พ้นไปหมดแล้วไม่มีท่านผู้สิ้นกิเลสพระองค์ใดารายใดเข้ามาเกี่ยวข้อง พนไปหมดเพราะความรู้ความเห็นความสลัดปัดทิ้งมีแต่จาพวกสัตว์โลกเท่านั้นที่คุกค้ากันอยู่เช่นเดียวกับโยนสัตว์ลงในหม้อ น, น้ําร้อนซึ่งกําลังเดือดท่านท่านเห็แหละผู้ตาดีหูดีท่านไม่มาท่านสลัดออกได้แล้วปีกออกได้แล้วพ้นไปได้แล้ว เพราะฉะนั้นคําว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีทมลีโลกก็ดียิงอยู่ในวิสัยของสัตว์โลกนี้จะพบได้เห็นได้เจอได้ด้วยกันผู้จะปฏิเสธว่าไม่มีก็ตามผู้ยอมรับว่ามีก็ตามจะไม่นอกเหนือไปจากผลของกรรมที่ตนทําทั้งรู้หรือไม่รู้ทั้งดีทั้งชั่วนั้นไปได้เลยเพราะกฎนี้เป็นกฎตายตัว อยู่กับการกระทาของสัตว์โลกใครก็ตามไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลจะนอกเหนือไปจากการกระทานี้ไม่ได้มีการกระดิกพลิกแพลงต้องเป็นอาการของการกระทำเท่านั้นคิดขึ้นภายในใจก็เป็นมโนกรรมคิดดีคิดชั่วก็เป็นความคิดที่ผิดที่ถูกจะยังผล ควสู่ความทุกข์ให้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะสารโลกเกิดอยู่ในแดนแห่งกรรมที่จําต้องกระทําเมื่อทําลงไปแล้วผลจะต้องเป็นไปตามนั้นไม่มีใครจะลบล้างได้แล้วจะไปโดนอะไรถ้าเป็นความชั่วที่ตนทําขึ้นมาแล้วจะปฏิเสธจะลบล้างผลนั้นได้อย่างไร การกระทาก็ทําด้วยความมืดบอดไม่ได้รู้ว่าดีหรือชั่วหรือรู้ก็ทําทั้งรู้รู้ยิ่งเป็นความหน้าด้านของผู้ทําสันดานหยาบของผู้ทำไปก็อีกแล้วจะออาน้จแห่งความหน้าด้านสันดานหยาบนี้เข้าไปลบล้างกองทุกลบล้างนรกอเวจีซึ่งเป็นที่แผดเผาของสัตว์หน้าด้านของสัตว์หยาบโรนนี้ได้อย่างไร หากเป็นสิ่งที่ลบล้างได้ไม่มีใครที่จะมาตกอยู่ในกองทุกเราอย่าพูดถึงขั้นนรกที่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของจําพวกตาบอดหูหนวกเหมือนอย่างเรานี่เลยแม้แต่กองทุกอยู่ในโลกนี้มนุษย์ดาวก็มีหูมีตาด้วยกันไม่เห็นใครเป็นผู้ที่ผ่านพ้นความทุกข์ซึ่งควรจะได้รับอยู่ในโลกนี้ไปได้เลยไม่ว่าคนโงค่คนฉลาดคนมั่งมีดีเด่นหรือคนจนขนาดไหน เรื่องความทุกข์ซึ่งเป็นไปอยู่กับาธาตุกับขันเป็นไปอยู่กับความคิดการกระทําผิดถูกดีชั่วของตนนี้ตนต้องจําต้องยอมรับไปโดยลําดับลาดาบตลอดกันวันตลอดคืนตลอดเอียบบทไปอยู่เช่นนี้ไม่มีลายใดที่จะหลบหลีกติดตัวไปได้นี่เราก็เห็นได้อย่างชัดชัดเพียงแต่อยู่ในมนุษย์นี้ทั้งๆที่เราก็ตาดีหูดีเรายังไม่เห็นผ่านพ้นความทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกนี้ไปได้เลยแล้ว เหตุได้จะไปลบล้างนรกอันเป็นที่หมกไหมของสัตว์จำพวกหยากโวนทั้งหลายได้นี่นี่อาที่ว่าสวารารรมท่านตรักไว้ชอบแล้วทวุกสิ่งทุกอย่างผู้เชื่อตามพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ระมัด ร, ระวังในความชั่วไม่ไม่กระทาและพยายามบำเพ็ญในทางที่ดี จะทุกข์ยากลำบากย่อมจะมีแก่ใจฝ่ฟาฝืนความไม่อยากทำนั้นด้วยการกระทำนี่คือผู้เชื่อถอยนี่เราชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยก็ยิ่งจะได้นำทำเหล่านี้เข้ามาพิจารณาให้ถึงความจริงแห่งธรรมทั้งหลาย ความจริงนั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติแต่ความดีงามผลจะไม่เป็นอื่นนอกจากความดีให้รับความสุขความเป็ลิญเป็นที่พึงใจในสิ่งที่ประสบพบเห็นต่างๆล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่พึงใจเพราะความดีของตนในตอนต้นได้พูดถึงเรื่องศาสนา เป็นคราวเป็นสมัยเช่นข่าวถึงมาพุธทธันดรหรือว่าสุญจะกัดที่นี้ย้อนเข้ามาถึงตัวคํงเราเองผู้ทรงศาสนาแต่เพราะอย่างยิ่งคำว่าพุทธศาสนาศาสนาคือคำสอนของท่านผู้รู้เราก็ได้ปฏิบัติเราได้นับถือเป็น ว่าจิตว่าใจเป็นเื่อเป็นหนังฉากเป็นฉากตายของเราทีนี้ย้อนเข้ามาเพื่อให้ผลประจักษ์กับใจของเราและเป็นคติเครื่องเตือนใจของเราให้มีสติสตังให้มีความรอบคอบให้มีกําลังใจขึ้นไปอีกนั้นเราควรจะคิดถึงตัวของเรา ในอิรยาบทต่างๆยืนเดินนั่งนอนเวลา น, นี้เราจิตใจของเรามันเป็นสุญญากับหรือเป็นยังไงถ้าจิตใจไม่มีส ต, ติประความความเพียรไม่ม ah e ีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิแารณาในสิ่งที่พัวพันขัดข้องเสียดแทงภายในจิตใจคือกิเลสทั้งหลายแล้วนั่นก็คือสุญญากับ จะเป็นโอกาสให้กิเลสย่ำยีตีแหลกภายกิจใจของเราไม่เลือกกิริยาบททั้งๆที่เรานับถือาศาสนาและเป็นพระปฏิบัติด้วยแล้วอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะกลัวผู้ถือาศาสนาทั้งๆที่หาสติสตังหรือปัญญาศรัทธาความเกียนไม่ได้แล้วกิเลสจะกลัวคำว่าพระพระกรรมฐาน กิเลสไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับคำว่าพระกรรมฐานหรือไม่กรรมฐานแต่กิเลสจะแทรกเข้าไปในจุดที่พระกรรมฐานกาลังเล่นเลิอเผลอสติเสื่อเสื่อซาซาตรงนั้นนะ่ะเป็นจังหวะที่ต่อยโอกาสให้กิเลสต่อยได้ดีที่สุดเท่าพิสูจน์เราอย่างนี้จึงชื่อว่านักปฏิบัติโอปัญิโกคืนน้ำเข้ามาเพื่อเป็นคติ เพื่อเสริมสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราให้มีความเข้มงวดขวดขันเข้าไปกิเลสก็ได้ถอยตัวห่างตัวห่างออกไปจากเราเนีย่ยกิเลสกลัวตรงนี้ไม่ได้กลัวคําว่าพระไม่ได้กลัวคําว่าเดินจงกรมจยอกหยอกหยอ ก, ย ก, ยกหาสติไม่ได้ไม่ได้กลัวเพราะการนั่งสมาธิภาวนาทั้งอ้าปากทั้งหลักเพิ่มเพิมหลไหลไปในขณะที่ภาวนาอยางนั้นกิเลสไม่กลัวแต่กิเลสกลัวที่มีสติ มีความเพียรด้วยสติมีความอุตสาห์พยายามมีความบึกบึนไม่ท้อแท้อ่อนแออันนี้สิ่งเลวร้ายทั้งทั้งหลายกลัวแล้ววันเรามีศาสนาถ้ามีศาสนากิเลสก็กลัวขณะใดไม่มีศาสนาคือสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมกิเลสหัวเรา แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งในเอียบทหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ขาดศาสนาไปช่วระยะสั้นยาวขนาดไหนที่เป็นระหว่างพุทธทันดอนคือระยะนั้นระลึกได้เหมือนกับเป็นพุทธะอันขึ้นมาอันหนึ่งระยะนั้นมีปัญญาข้อคิดต่างๆได้อุบายแปดๆแ ต, ต่างขึ้นมาเป็นเครื่องบรรเทาหรือเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความ สง่า่าาาผผเยขึ้นมสงบร่มเย็นขึ้นม า, รมนมาแะระยะนี้ขาดสติจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวหรือจิตใจเกิดความเดือดร้อนเผลอตัวอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นอะไรนี่ไม่มีศาสนาเนี่ยมีแต่ความคิดที่เป็นสัตว์นรกเผลอตัวอยู่ภายในจิตใจนี่กิเลสเผาอเผลอพระเหล่า เท้าตรงนี้เท้าตอนไม่มีศาสนาเราอยาไปคิดข้าไกลๆนู้นโดยถ่ายเดียวศาสนาพัฒกับนั่นพัฒกับนี่พุทธันดร น, นู้นพุทธันดร น, นี้สุญญกับนู้นสุญญกับ น, น, ญญนี้ท่านกล่าวมาเป็นลํำดับลำดาที่เคยเป็นเคยมีมาอยู่แล้วแต่เราผู้ปฏิบัติเพื่อจะยังผลให้เกิดขึ้นแก่เราอย่นววานี้จงโอปันญิโกน้อมทำเหล่านั้นเข้ามาเป็นเครื่องท่ามสอนตนในดยา น, นี้กําลังอยู่ในพัฒกับหรืออยู่ในสุญญกับ พัฒกะบแปลว่ากับที่จเจริญเวลาที่จเจริญขณะที่จเจริญอิริยาบถ ท, ที่จเจริญความเทียมในท่าต่างๆที่จเจริญเจริญด้วยสติจเจริญด้วยปัญญาจิตมีความยิ้มแย้มแจ่มใสจิตมีความเบิกบานจิตมีความสง่าผ่าเผยด้วยอัดด้วยทำมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องสง่างามเป็นเครื่องสองทางให้สง่าผ่าเผย น, นี่เป็นพัฒกะให้ย่นเข้ามาตรงนี้ <c oughs> แล้วเมื่อพยายามอยู่เสมอเสมอเรื่องพัฒกรบนี้ก็จะมีกำลังมากขึ้นโดยลํำดับลาดับภายในจิตใจของเราผู้ถือพุทธถือเทวทัศน์นี่แหละเทวทัศน์ก็คือกิเลสตัวคอยจ้องคอยมองคอยปราบปรามเราอยู่เสมอคอยหยีดขวางกดถ่วงคอยเสียดคอยแทงคอยเหยียบย่ําทําลายเย น, นี่ตัวยักษ์ตัวผี นี่เรียกว่าศุนกระปับรำสติรำปัญญาธรรมศูนไปแต่กิเลสตัญหาสาประเยตต่างๆซึ่งเป็นพืนเป็นไฝนั้นเจริญความเจริญของกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายท่านไม่เรียกว่าพัฒนกับมันเจริญด้วยฟืนด้วยไฟจ้ะเรียกว่าความเจริญเพื่อความพาสุกได้ยังไงมันมีแต่จากความพินาศชิบหายล่มจมไปโดยถ่ายเดียวจะเรียกว่าความเจริญได้ลงคอหรือ ผู้เจริญก็คือผู้มีสติมีปัญญาศรัทธาความเพียรบำรุง จ, จิตใจใจได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมมีความเจริญนุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับ ๆ, ๆ, ๆที่เรียกว่าพัฒกับเจริญภาในจิตของผู้สือศาสนาพุทธอยู่โดยลาดับลำา ๆ, ำๆจนกระทั่งถึงสว่างจ้าขึ้นรอบตัวอา้าวที่นี่พระอาทิตย์ร้อยดวงก็ไม่สนใจจะไปคิดกับมันลว่ ม, มันมีความสว่างขนาดไหน ความสว่างที่เต็มอยู่ภายในจิตใจซึ่งดุดพ้นแล้วจากความมืดบอดคือกิเลสทั้งหลายนี้ได้เต็มภูมิแล้วไม่สนใจกับพระาทิตย์จะมีร้อยดวงพันดวงก็ตามไม่มีอะไรสว่างไม่มีอะไรรับเป็นเครื่องอกอุ่นจะพูดได้ว่าอกอุ่นไม่มีอะไรเป็นมหาสมบัติ <c oughs> ไม่มีอะไรเลิศประเสริฐยิ่งกว่าความสว่างด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนและด้วยธรรมที่บริสุทธิ์เต็มหัวใจนี้เลยนักเนียว มหาพัตตะกับศาสนาธรรมของพระเจ้าสอนจิตใจของสัตว์โลกให้เข้าสู่พัตตะกับโดยลําดับดับจนกระทั่งถึงมหาพัตตะกับดับยิเลศโดยสิ้นเชิงไม่มีซากเหลืออยู่แม้แต่น้อยนี่แหละถึงมหาพัตตะกับเต็มภูมิของาศาสนาธรรมที่สอนเข้าจุดนี้ผู้ถือปฏิบัติตามก็เข้าถึงธรรมนี้อย่างเต็มภูมิเช่นเดียวกันแล้วสมพระทัยที่พระพุทธเจ้าทรงอุตส่าห์พยายามแนะนํา ทำสอสัตว์โลกด้วยความลาบากลําบดตั้งแต่วันเวลาบําเพ็ญก็ยากลําบากแสนสาหัสเอาพระชนเข้าแรกทำตั้งหลายเพื่อสัตว์โลกเวลาได้ตรัสรูท้ทาแล้วก็ท ร, ร ท, ท, วกทรงอุตสาห์พยายามาระของพระพุทธเจ้าหนักตลอดตั้งแต่ทรงบําเพ็ญมาเรื่อยจนกรทั่งได้ตรัสรู้แล้วเปลี่ยนภาระไปตามเนี่ตามแขนตามเหตุการณ์ แต่รวมแล้วเรียวกว่าเป็นภาระทั้งหมวไม่มีใครจะรับภาระหนักยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพื่อสัตว์โลกทั้งหลายนี่เราได้เกิดในแดนแห่งความเหมาะสมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ภูมิใจในการตร้อฤตปปฏิบัติตัวเองและโอกาสนี้เวลานี้เป็นโอกาสและเป็นเวลาว่างว่างทั้งการทั้งงานเกี่ยวกับ กาโลกทั้งหลายไม่เกี่ยวข้องแล้วมีแต่ ง, งานทางธรรมอย่างเดียวที่เราจะต้องได้พยายามตักตวงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มปฏิกําลังความสามารถเมื่อพ้นโอกาสนี้ไปแล้วย่อมเป็นความลําบากในการที่จะได้บําเพ็ญธรรมความดีพยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราจะเป็นที่ภูมิใจใจเป็นจริงเป็นพื้นฐานแห่งการเกิดแก่เจ็บตายแห่งพบแห่งชาติทั้งหลาย ไม่มีอะไรเกินใจดวงนี้ดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดว่าใจนี้คือนักท่องเที่ยวจะเที่ยวไปไหนก็ตามขอให้มีความดีเป็นที่พยุงใจเถิดย่ยอมมีความสุขการสบายพอมีที่ตรงที่วางไม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปเสียทุกภพทุกชาติตลอดตั้งแต่ต้นจนอาวสานแห่งชีวิตของภพชาตินั้นๆโดยเดียบมีความจุขเป็นเครื่องพยุงเป็นเครื่องบำรุงรักษา เพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เราสร้างไวน้นี้เราก็ไม่เสียทีสมมนุษย์กับว่ามนุษย์ฉลาดกลองฉลาดหาความถูกใส่ตนฉลาดแก้ความชั่วที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตนออกเต็มกำลังความสามารถไม่คุ้นไม่ชินกับฉินไม่ดีทั้งหลายพยายามปัดสลัดออกจากตัวเสมอ วันนี้เด็กกล่าวถึงเรื่องพุทธศาสนาทั้งภายนอกภายในใน่านผูฟังทั้งหลายได้พินิจพิจรารณาโอปนาญิโกคือย้อนหน้าย้อนหลังเทียบเทียงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนสมกับเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อสาระคุณทั้งหลายแก่เราพากันนำไปพินิจพิจรารณาประพฤติปฏิบัติตนเองในเวลาที่โอกาสอานวยสุขภาพก็ อ, อานวยเวลานี้ ธาตขันธ์ก็ปกติดีงามทุกรูปทุกหนังความเพียรก็ให้ก้าเดินด้วยความมีสติมีความสนใจมีศรัทธาเชื่อมัน่นในธรรมของจริงของพระพุทธเจา้าไม่มีใครที่จะพูดจะตรัสได้อย่างจริงจังถูกต้องแน่นย่างเหมือนพระพุทธเจา้าที่ทรงพระนามว่ า, าศาสดราองค์เอกนี่เลยเอกนามมาริงหนึ่งไม่มีสองนะก็มีแล้ว คือพระโพธจ้า ท, ที่มาตรัสรูดแต่ละครั้งๆมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีสองพระยานที่ยังทราบในสิ่งทั้งหลายแม่นยำไม่มีสองพระวจาะที่ตรัสออกมาแต่ละประโยคไม่มีความยากักย้ายผันแปรเคลื่อนค้าดัตริย์เต็มไปด้วยความจริงรุนร้วนกลับว่ายังไงเป็นอย่างนั้นว่าอะไรมีอะไรเป็น อะไรดีอะไรชั่วทิ้งนั้นต้องเป็นดีเป็นชั่วตามที่จัดไว้ทุกอย่างจึง เ, เรียกว่าสวรรค์ธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนะผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นจะไปไหนถ้าไปสิ่งที่ดีนะถูก ส, สู่สถานที่ที่เพึงหวังไม่ไปไม่เป็นอื่นเนี่ยการเชื่อธรรมกับการเชื่อฝ่ายมารจึงมีผลผิดกันอยู่มากฝ่ายมารก็คือสิ่งกระซิบกระาบซึ่งฝังใจมาเป็นเวลานานแล้ว ท่านอยากกิเลสคอยฉุดากลงฝ่ทําแนะนําให้ต่อสู้แย่งชิงออตัวของเราซึ่งเป็นสมบัติอเนมีค่านี้ให้พ้นจากปากมารคือกิเลสทั้งหลายด้วยการทําดีด้วยการฝ่าฟื้นสิ่งที่ต่าำช้าเร็วสารทั้งหลายตะเกียบตะกายนักแล้ว เ, เ, เอาเบาก็ทนเพื่อความดีทั้งหลายนีย่ความเจริญก็ย่อมเป็นของเรานนัน้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้ ระวังนะเทวานิธิเทนระวังพิงไม่ได้เด่ไม่ได้เป็นไปตามนิสัยเหมือนกับล้างล้างเหมือนกับเหยียบเดียวด้วยพิงมันเป็นงั้นธรรมะมันก็ไม่เต็มไม่เต็มนอยเจ้าของก็รู้จะจะทําไงถ้าจะให้เป็นไปตามอัจฉริยสัยหนิสัยของเป็นไปตามความถนัดนั้นมันก็จะไม่ถึงไหนเดี๋ยวก็ลงคลองตกโคลมจะได้เนี่ย เพื่อมันไปตามเรื่องนี้นเอาถึงจะไม่เร็วไม่หนัะช่างไม่เท อ, อ่มันค่อยไปเอื่อยๆนั่นไงสามวันสามคืนก็ถึงกับทางบ้านว่า อ, อย่างนั้นพอไปอย่างเช่นวันว่ากันั่นเพราะความเป็นห่วงหมู่เพื่อนนั่นเองมันเป็นอยู่ในจนิตนยะังไงมันไม่ได้เป็นเป็นด้วยความเสด็สัรปันรอบ ข, ขึ้นมามันเป็นเองโดยหลักธรรมชาติภายในจนิตนี้เป็นห่วงหมู่เพื่อน จะยินไม่ฟังจิตใจมันก็ใจมันเหมือนกันนี่ผู้มุ่งต่อทาอยู่แล้วมันเหมือนกันเลยทั้งที่ผมเคยพูดนะฟังเสมอเวลาถึงวันประชุมในสมัยที่อยู่กับท่านพอาจารย์ไหมวันนี้เป็นวันประชุมโอ้โหจิตมันก็ยหินยิ้มย่องเหมือนจะเหาะจะบินมันเป็นอยังไงนั้นพอฟังแล้วหเหมือนกับได้โอสถมาจาก ฝากเม็ดฝากสมมติที่ไหนทำไมรู้ล่ะมาชโลองจิตใจให้ยินแยม แ, ยแข็งใสขึงขังตึงตังมันเป็นกำลังใจถ้าไม่ยินเม่ฟังก็เหมือนกับต้นไม้ที่ในรถน้ำเองต้องทำให้รถน้ำเยน็นๆให้ชุ่มฉ่ำแล้วมึงเอาน้ำน้ำร้อนไปหลวกอีกอ มันเลือดน้ำทางด้านธรรมะมันน้ํำกิเลสมันน้ําทองแดงไอ้ที่มันเผาอยู่ในหัวใจนะทั้งนั้นเราไม่ได้เพื่เราเพื่อวันเราเพราะว่าเร า, เรามสมบูรณ์อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างูที่ทุกยิ่งกว่านี้มีมากมายนะ่ะวันเราไม่ได้ทุกข์แต่ตัวปัจจัยไสยทานทั้งสีมันล้นอยู่เนี่ยแล้วอยาจะหาอะไรเอาอะไรมาอีกนอกจากไปช่วยที่บกกล้องซึ่งมีความต้องการอยู่มากจําเป็นอยู่มากนะ่ะ คนก็มาสักนะทุกข์สารเหมือ น, นกันหมดมเราหว ง, งหวงได้ไหมก้มปิดมันจะอะไรมาวหวงความหวงก็เป็นกิเลสความทุกขสารเป็นธรรมนี่หนึ่งจะมาหวงไว้ทําไมหวงไว้เพื่ออะไรนี่ยหายก็ผลไม่ได้สงเคราะห์ไปเป็นธรรมให้ ไ, หไปเพื่อประโยชน์ เกบไว้ทําลาตายเขาไม่เห็นเอาเงินไปเผานะเราว่าฟืนกับเผาต่งกนะเาฟืนมันมีแล้วถ้ามีฟืนมีแต่เงินสเอาเงินไปเผาเขามมีฟืนพอจะแวหาไว้ก็เผานมันก็มีนะฟืนตมตรงต็มปาก่าน ศานาเป็นเรื่องของละเอียดเป็นธรรมชาติที่ละเอียดมากทีเดียวนะ <c oughs> เพินมก่อความรู้ของคนทั้งหลายจะทราบจะตลอดโคตรถึงนะเรื่อความละเอียดและอของศาสนานละเอียดอะมากขนาดนั้นอืทําให้คิดเรื่องของพระพุทธเจ้ า, าธรรมะพูดตลาดถึงขนาด น, นั้นตลนาดนนอด ขึ้ตรงขึ้นติดไหนขึ้ไหนหาที่พันมาได้นี้นนาไปไหนรูปไปไหนมีแต่ผู้เจ้าองแสดงไว้หมดแล้วหมดแล้วจะอวดตัวว่าฉลาดได้ที่ตรงไหนนกฟัก ร, ราบท่านดังหมอบรากกันเราเห็ น, นี่าผู้เจ้าคึอไม่เป็นภัยต่อใครทำที่ไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเป็นคุณต่อโลกล้วนๆก็คือสาระนักทางนี้เอ แล้วแต่ผูจะนำไปปฏิบัติได้ประโยชน์มากน้อยตามความสามารถสลาดรู้ของตนแมาโลกวิถีทุกหนทานัดทัดเจนมากจากพระศาสดานู้แจ้งโลกนี้แจ้งไปทั้งหมดความหนักเบาละเอียดอยากขนาดไหนทรงสร้างไปตลอดทั่วถึงหมดด้วยโลกวิถู การแสดงธรรมจัโลกค้นเหมาะสมไปทุกภูมิของจัลโลกนอกจากมันรับไม่ได้แท่ น, นั้นความอาการหนักมันก็รับไม่ได้นองประเภทประทะปัจมะป็นประเภทสามะประเภทย่กมต้องรับได้อุคติกันอยู่พอแย่ธรรมะขึ้นเท่านั้นติดพุ่งเลยรู้เลยพ้นเลย ก็าอุปติกันดย์ก็เพื่อเกียร์คอยจะผ่านพ้นอยู่แล้วเบมื่อกฏิกันอย่อก็ลองกันลงมาลองแสดงเรียบเหตดเรียบผลได้สัตวได้ส่วนแล้วยอมยอมยอมลงผ่านได้เลยส่วนเนยะนี่ถ้าเป็นตาน้ากกออยู่ลึกหน่อยตรง น, นี้นใช่กำลังม่ร่ำเวลาขุดกันแลสุดท้ายก็ถึงน้ำ ได้ส่วนปะทะประมาณเหมือนเอาเสียมขุดหินหนึ่งนี่แตเสียงก็แหลกไปหินมันอยู่นั้ น, นทำวมะเอาลงขนาดไหนไม่ได้เรื่องเหมือนเสียมขุดหินนั่นไปถึงน้ำไม่ถึ ง, มมถงเพราะน้ำไม่มีในหินน่นขุดลงไปก็อย่างนั้นวางเลยวันนี้พูดถึงนั่นแหละไม่ต้องพูดมากขนาดนี้รู้สึกยังไง